อเราตจถึงปัจเวกปัจเวกจริงๆกนการเพลียนนาทบทวนถ้าจงเคราะห์อยู่ในยานปัจเวกขณะยานในเป็นยานสุดท้ายเป็นยานท้ายสุดของการพิบัติในคำสอน ที่เป็นนันะของยานสิกที่เขาพูดพูดถึงกันเริ่มต้นด้วยนามรูปไปเจกทยานการรู้รูปรูนามการเห็นนามรูปก็คือรูปรอยขอยงความคิดบางทีอวิธรรมก็พูดถึงจิตเจรุนีน้คือจิตเจตสิกรูปนิพานจิตเจตสิก เจตจิตเป็นอาการของจิตเนเจตจิตเป็นยังไงจิตก็เป็นอย่างนั้นนะราู้ถึงรูปรูปธรรมอาการต่างๆละวันนิพานสภาวะที่มันไม่มีคู่นะคราว น, นี้เรามาศึกษาเนะจริญสติการฝึกหัดเนะจริญสติการเรรู้นะ กายใจของเราดุลก่อ น, นหัวจรวดเท้าการสัมผัสการมีสติรรูร้ที่สัมผัสแต่ละขณะแต่ละทะวารต่างๆตาหูมูกลิ้นกายใจหรือว่าระบบความคิดที่มันคิดมันปรุงมันแต่งหรือว่ามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาภายในจิตใจของเรามันเป็นอาการที่เป็นนามธรรมการฝึกส ต, ติ เราครูที่เป็นสติประฐานรู้การเคลื่อนการไหวหยับหยาบจนระมันเห็นรายละเอียดที่ตัวจิตตัวใจของเรามันแสดงออกเป็นธรรมอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆมันก็เป็นความรู้สึกทิดตัวนี่แหละจิตกับกายอยู่ด้วยกันจิตอาศัยกายอยู่ตัวชีวิตเป็นทั่มเป็นครูหาเราเห็นความรู้สึกตัว จิตของเราที่มันแสดงออกทางตาหูจมูกกายใจที่เรียกว่าวิญญาณนะนะจากส่วิญญาณสดตาวิญญาณเชียวหาวิญญาณขันโวิญญาณกายยาวิญญาณมโนวิญญาณพวกนี้มันมีจิตและวิญญาณวิญญาณคืมันรู้ได้รู้สึกมันก็เป็นปัญญาเบื้องต้นเลยของสิ่งมีชีวิตก็ว่าได้สัตว์สาราสิ่งก็มีเหมือนกัน แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีสติตามสัญญาณนะสติที่มันเป็นสติตัวทั่วไปมันไม่ใช่เป็นแลน้วนะของสติปัฏฐานการที่เรากลับมาแล้วรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเราก็จึงมาฝึกมหาหัดกันกนั้นี่นะรู้สึกที่กายพลิกมือตั้งรู้สึกตัวยกมือกันไปรู้สึกตัวฝึกส ต, สติให้มันว่องไว ให้มันจับไว้ให้มันคมให้มันชัดให้มันไปตรงๆลๆัดๆชันๆถูกเป้าเดินจนคมก็เหมือนกันถานั่งยกมือเมื่อยมีอาการต่างๆแสดงออกมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ๆเปลี่ยนบ่อยๆดีนะฝึกใหม่ๆเนะเพราะว่ามันจะไม่ทื่อๆถ้าฝึกแล้วบางทีมันทื่อๆมันมีเบื่อเบื่อเซ็งเซงทำซ้ำๆมันยัง เป็นการไประทำอารมณ์ต้นๆอยู่รวมโรคภู ก, กันทีเดียวเราก็จึงในใจเอ๋บอกนะตืนตัวช่วยกังต้น ๆ, ๆสัก15นาที20 30นาทีนางทีอาการปวดปวดไม่เมื่อเจ็บเจบบางทีมันก็แพ่งเลยนะอาการแพ่งความเพ่งก็แค่เกร็งมีอาการตึงๆอาการเครียดเกิดมาที่ระบบประสาทได้อย่างยกมือสอิบสี่แบบนี้เกิดเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขา ขณะที่นั่งยกมือสิบสีชั่งบัตรขณะที่เดินจงกรมเราเห็นมือมือไม่อคอยเจ็บหลังมันมีอาการติดแรงออกมาให้เราได้ทอในทอได้ถอยแล้วก็เข้มแข็งไม่ยอมที่จะทำตามอำนาจของอาการที่มันชวนให้เราหลงเผลอนมาทั้งชีวิต ทีน so hmm, ี้ขณะีเราฝึกอ่านว่าใช้อีบทหลังจากที่ความคิดขอเปลี่ยนหนึ่งครั้งสองครั้ง3ามครั้งว่าอืมรแล้วรัแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนด้วยสติไปนั่งเป็นลุกใส่สติเติมสติสร้างความรู้สึกตัวลงไปใส่ใจลงไปกับความรู้สึกตัวถณะเกินไหวแกงคายกระทบสัมผัสรู้สึกมันก็จะกำรู้ที่ปัจจุบัน ที่การเคลื่อนการไหวของกายแต่ละขณะตัวนี้ลำเป็นเครื่องรู้เป็นมิติหมายเป็นเป้าหมายของการฝึกหัดจริญสติเบื้องต้นเลยแต่า ก, การที่ซ้อนซ้อนขึ้นมาเราก็ใช้เป็นส่วนประกอบเป็นอาการที่เราก็จะไม่หลงเพลอไปทําตามโดยขาดสติในน้อยที่สุดมันก็จะมีอารมณ์ต่างๆที่ชวนให้เรา มืนว่าลืมเนืลืมตัวได้ง่ายเช่นความวง่วงนะบางทีเรายกสักพักมันก็แสดงออกแล้วอันนี้ก็ใช้บทช่วยเลยเหมือนกันใช้บทช่วยบางทีก็มีความคิดเป็นวิบากกรรมต่างๆในอดีตความทุกข์ในอดีตแสดงออกมาแล้วกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็จึงเห็นธรรมชาติของใครของเรา เป็นธรรมชาติเป็นนิสัยเป็นนิสัยเขา แ, แสดงออกมาของใครของเราจริตต่างๆแล้วแสดงออกมาความคิดนึกปรงแต่งอารมณ์ต่างๆมันก็ของใครของเราแต่เรามาทําสิ่งเดียวกันก็คือเกินไหวเดินยกมืรู้สึกตัวพลิกมือรู้สึกตัวเราใช้รูปแบบรูปแบบในการฝึกในการถัดให้สติมันต้องไปในกายทั้งแต่หัวจรดเท้า ตังแต่เวลาตื่นจน้องเวลาหลับเราก็ฝึกในรูปแบบนอกรูปแบบนี่แหละในรูปแบบใช้สถานที่เดินชงกรม้มีสถานที่ให้ฝึกฝนตกบ้างแดดออกบ้างมีสศาอาไรสิ่งบ้า ง, ง, ก, ก, า ง, งก็ไม่เป็นไรบางทีดินมันก็แฉก็ลื่นเวลาเดินขึ้นขึ้นลงลงก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกแล้วก็ไม่ มือนก็ว่าใช้ความอ่อนแอเปลอา บ, บางเหมือนกับที่เราเคยเป็นพอฝนตกนิดหนึง่ง ว, ว่าฟ้าร้องฟ้าผ่า้วสะดุง้งเงินมาอะไรมันก็จะทำให้เราเหมือนกับว่าเกิดประสบการณ์อย่างเช่นมีช่วงฝนตกอยู่ครั้งหนึ่งเคยจำลองลอยเมื่อก่อนก็ไม่ได้ทำวาวาดที่สลานี้ก็ทำวาวาดอยู่ ท, ที่สลาไก่แล้วก็พักอยู่กุฏิสิบห้า กุดอากาจสแล้วก็เดิน้าไปน้ำกหลากลงมาเราก็กำหนดความรู้สึกตัวนอกรูปแบบขณะเดินกับกุฏิบางทีก็เสียงฟ้าผ่าเกิดขึ้นมาเราเห็นจิตมันมแป๊บๆมันจะไปทางเสียงเราก็กลับมาอย่างขณะนี้มีเสียงตุกแกจิตบางคนก็อาจไปหาตุกแกแล้วก็ได้เราก็เรียกลับมา กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวบางทีฝนตกน้ำมันหลากมันสัมผัสที่หน้าแข้งอย่างเงี้ยนะอยู่ๆก็พัดพาเอากิ่งไม้มาด้วยนะพอมันกระทบหน้าแข้งจินกระปรงทันทีงูหรือเปล่ามันตรงพองูหรือเปล่ามันั่นนั่ะมันเป็นการคนลุกสู้ขึ้นมาทันทีคนจะลุกตั้งชูชันขึ้นมาเราเห็นวิธีคิดมันหลงเผลอไม่รู้สึกน แวพอมันคิดมันปรุงได้ที่เกิดความกลัวมันก็มีปฏิยามาทางกายทันทีร่างกายเราก็แสดงออกตอบรับกันมีความกลัวมีผลต่อตับมีความกลัวมีผลต่อใจดีใจมีผลต่อหัวใจหัวใจเต้นไวเสียใจมีผลต่อ ป, ปอดกระวนใจ ม, ม้ามมันก็ไม่ดีโลคิดมากๆ ร, าระบบภาษาสมองว่าไม่ดีหรือว่าอหิวบ่อยสมองเก็บพลังงานน้อยสุดน ผูมีน่าหนงรยีกรัมถึง1 3 0 0งพัารยกรัมหัวใจจะมีอยู่1น0 0งพันกรกรัมอันนี้วิชาอนาตทมมี่กายภาวิยาที่เราสามารถหามาอ่านมาดูได้รวมมีการผ่าตัดช่างกันโดยกิโลนะวัดน้ำหนักมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันสมองเรามีน้ำหนักอยู่ประมาณที่บอกมาสักครู่คันนี้เราใช้งานเก็บพลังงานน้อยสุดพลังงานเก็บได้น้อยสุดแต่ว่าใช้มากสุด มันก็มีผลไปโลจิตโลภาษารึไงเป็นต้นเราก็เลยได้เห็นว่าเออความรู้สึกตัวแต่ละขณะเนี่ยที่เราพยายามที่จะ ส, สร้างมันโดยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือว่ากัลยาณมิตรหลายคนหลายท่านอย่างเช่นที่นี่นหลวงปู่เตียนเจียวโปหลวงก็เขียนท่านได้ล้วก็ไปฝึกมาโดยส่วนตัวผมรละธมาก็เชื่อว่าท่านรู้จริงหลวงก็เห็นท่านรู้จริง จากความเย็นจากความสมัครใจสมัครปลาจากความเมตตาความอ่อนโยนเนี่ยนะเราก็สังเกตได้ความสมเอะแอะวันนี้ท่านท่านได้แสดงออกมาทางกายวิาจาใจของท่านวเวลาสัมผัสแล้วเราสึงเออมันเย็นเราก็เชอว่าสิ่งที่ท่านพูดให้ทันมันมันถูกทางแล้วเราก็ลองมาทําดูแล้วมันรู้สึกตาหลงไม่รู้สึกยมันต่างกันยังไง เวลามันสัมผัสรู้สึกรู้ว่าภาวะของความเป็นปกติสภาวะผู้ดูที่มันเกิดขึ้นมาในพยานขณะมันเป็นยังไงโดยรายอยู่กับความคิดมันเป็นอย่างไรแล้วก็สัมผัสเป็นประสบการณ์ตรงของใครของเราเราก็เห็นจริงเวลามันคิดมันก็จะมีปัญหาทันทีเกิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมามากมายประสบการณ์เก่าๆมันก็เกิดขึ้นมาให้เราได้หลงเพลิดปัจจุบัน มันก็เลยเป็นอะไรที่เรารู้จักอดีตความคิดในอดีตี่มปรากฏขึ้นมาหรื่ออนาคตความไม่ตกกลางวันที่มันเกิดขึ้นมะากับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงอนาคตจะเป็นหนึ่งนั้นจะเป็นอย่างนี้เรื่าปัจจุบันขณะที่เราวิพาษวิจารนะเห็นแล้วก็ปรุงไปคิดไปใส่ข้นะอมูลนะเขาว่าเราว่าแต่ความเป็นจริงมันก็มีรอยเห็นการเปลี่ยนแปลงเหลนะ่านะี้เชื่อถือว่าจับต้องไม่ได้เลย ความคิดทุกๆความคิดเป็นแค่ไมายาภ้าที่มเกิดขึ้นมาเป็นเพียงแค่นามรูปนะไม่มีตัวตนจริงๆหรือว่าเราได้เรียนวิทยาศาสตร์กันมานเรียนวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์ก็บอกว่าอะไรก็ตามสิ่งใดก็ตามที่วัยแสงนะสิ่งนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนมันก็เออก็จริงเนาะเราวิทยาศาสตร์ก็อาความคิดที่มันเกิดขึ้นมา แต่เราปล่อยให้ผ่านไปมันคิดมาแล้วมันก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่ส่วนใหญ่เราเข้าไปปรุงนะหลงเข้าไปไปปรุงแต่งบกวนอย่างเงี้ยนะเราได้เห็นโอ้มันมีระบบพกนี้ด้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเรากลับมาเฝ้าดูมก็แยกแยะให้เราโดยไม่ได้ใช้ความคิดนะ่ะใจการสัมผัสรู้สึกนั้นนะบางทีก็มีวิบากกรรมต่างๆนะแสดงออกมาโรคภยัยใครเจ็บพวกนั้นเป็นวิบากกรรมแสดงออกมา จากการที่เราได้ใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจบางคนใช้วาจามากๆพูดมากๆลกล่องเสียงก็จะมีปัญหาไงนะในกล่องเสียงก็จะมีบางทีเป็นโรคมะเร็งเลยมะเร็งกล่องเสียงเราก็ได้เห็นหรือบางทีอย่างเช่นว่าในสมัยพุทธกาลอันนี้เคยได้อ่านมาจะเล่าให้ฟังมีหญิงอยู่คนหนึ่งเขาก็ มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความมั่งคั่งก็สร้างวัดสร้างวัดสร้างวาทีนี้พอปฏิบัติธรรมก็มีอาการคันเนื้อคันตัวมีอาการคันก็เข้าเฝ้าพระองค์ระองค์ก็ถามว่าเป็นยังไงเหรอปฏิวัติธรรมหญิงสาวก็บอกว่าหม่อมฉันคันมีอาการคันเนื้อคันตัวพระเจ้าก็พูดว่าสมัยแนด่ดีเนี่ยเธอเคยไปเกิดนะ เป็นเมษีพระเจ้าเมืองพารณาณสีมีโอกาสได้เกิดเป็นราชินีทีนี้ว่ามีความอิจฉาริษยาโดยเกิดเป็นหญิงในครั้งกันนั้นมีความอิจฉาริษยานางลำมีการฟ้อนมีการลำประตกเย็นก็นประมือก็มีการฟ้อนกันลำมีระบำคนนี้หญิงที่ว่าฟ้อนลำก็สวยนะ พระเจ้าแผ่นดินเนะมืองพารณาณสีสนใจมเหนสีก็มีความอิจฉาริษยานะชื่อนางโลหินีนางโลหิเนียมีความอิจฉาริษยาก็เอาหมอมุ้ยนะไปใส่ตัวใส่ชุดเสื้อผ้าของนางลำนะ่และ้วไปโรยที่นอนเอาไปใส่ในห้องนางก็เก่าจนกระทั่งน้ำเหลืองมันเปนะ น้ำเหลืองเยิ้มไหลป่วยไปเสร็จกรรมมนั้นกันมาถึงตอนนี้แหละพอปฏิบัติธรรมก็คันเนื้อคันตัวแล้วเก่าจนเป็นน้ำเหลืองนนในในตำรับตำราจริงไม่จริงก็ไม่รู้มนกันนะมันอยู่ในตำราแต่ก็เราได้เห็นเช่นผมหรืออาจมานะปฏิบัตนะิมีความเห็นคือครั้งหนึ่งนะตอนที่เล็กๆขนาดเลนนะ่นเคย เอาสุนัขไปปล่อยปปอยเอาใส่กระสอบระมัดอย่างดีเลยนะแต่ไปปล่อยตรงหนองน้าอนี่ยไม่รู้ ม, มันรอดหรือเปล่าก็ไม่รอดหรอกนะเออพอยกมือมันก็มาพอยกมือไอ้ภาอย่างเงี้ยมาตลอดเลยแล้วมีอีกครั้งหนึ่งมันเกี่ยวกับสุนัขเนคือตัวเองมันเคยโดนสุนัข ก, กัดสุนัข ก, กัดเป็นแผลเวอร์หวาเลยเดี๋ยวนี้ยังเป็นแผล เ, เป็นอยู่ที่น่องนะเอาเนื้อไปทั้งชิ้นเลย อาคาดมันน่าดูแหละก็นี้พอเรียนระดับมัธยมไปทํางานอาเขาก็กลับมาตอนเย็นเราจะกลับก่อนตอนนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวสมัยเรียนมัธยมก็ไปเขียนตัวหนังสือหรือว่าทำบัญชีแล้วว่าทํางานประดิษฐ์สินให้กับเขาพวกเขาอีลงทะเบียนอะไรวะเนี้ยพัสดุกรูปพรร์ลงทะเบียนตัวเลขตอนนี้ พอกลับบ้านก่อนก็มันมีหมาที่เลี้ยงไว้น่ะมันไปกัดไอ้ทับประแหวนซื้อมาอย่างดีเลยของอาเขาแล้วก็เสื้อกันหนาวอย่างดีตากไว้มันเอามากัดเล่นกันนี้อาก็ก็บ่นกันนี้ก็บ่นไม่พอก็กระดาจากบ่นเป็นด่ากันนี้เราก็เอ๊ะมันหมาก็ถามคุยกันก็ได้นาะมันก็มีความรู้สึกน้อยใจนะน้อยใจ อยู่มาวันหนึ่งกลับบ้านมาก่อนก็ น, นี้ก็มาเห็นสุนัขตัวต่างๆมันเอาเอาเอ๊ทับแหวนมากราดอีกทีหนึ่งเป็นอีกอันหนึ่งกัาดเราก็รู้แล้วอ๋อตัวนี้ตัวนี้รู้ชัดเลยตัวเนี้ยก็มีหลายตัววันนั้นก็บันดาลโทรศส์ขนาดหนักนะนับหนึ่งนับสองนับสามไปยิบไม้ไผ่อยู่ด้วยหนึ่งประมาณนี้มันเป็นเสาหลักอยู่ ก้าปุูกผักแล้เลยหยิบ ม, มาแล้วก็ตีไปพอตีแล้วก็เลือดขึ้นหน้าเนี่ยพอมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือดขึ้นหน้าจนกระทํามันตายกลางมือนะแล้วก็ลากเอาไปใส่ในบอ่อไปใส่ในบอ่อที่กำลังขุดอยู่แล้วแต่ว่าน้ามันไม่มีแล้วเราก็เอาดินกบปังแล้วกบบอ่อให้เสร็จเลยบอ่อในบ้านเนี่ยเวลาปฏิบัติทํา ม, มันมานเวลาเราเจ็บคอหรือว่าเวลามันเปิด ปเปิดหมายถึงว่ามันปวดเนือ้ปอปวดตัวแถวๆบริเวณนี้มันจะนึกถึงในหมาตัวนั้นบาปบอกว่ามันมีการมาดีเทชาแล้วเอาปัจจุบันนี้เลยเนี่เป็นปัจจุบันนี้เลยมันเป็นเรื่องของความคิดนะที่เราเคยคิดเคยพูดเคยทจริงไดแหวนประทับเอาไว้มันจะแรงออกขนาปฏิบัติบางทีตีลูกนะตีเพีย้ยมันไม่ได้ดังใจตีขับรถไปนะตีเขา มันก็แสดงออกมาในรูปรอยแห่งความคิดเกิดก็จะอ๋อวิบากกรรมมันมีตั้งแต่เวลาชั่วโมงที่แล้ววินาทีที่ผ่านมาหรือว่าวันที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมามนจะลึกลงลึกลงลึกลงคราวนี้เราก็ต้องใช้กรรมกันหน่อยเวลาคิดมันก็เรียกว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นมาใหม่นะคิดดีอารมณ์ก็ดีคิดไม่ดีอารมณ์ก็ไม่ดีคิดกรอดอารมณ์กรอดก็กรอดไหมนะคิดโลภอารมณ์โลภก็พอไหม มันก็จะมีะอารมณ์ต่างๆที่เราไปเต็มในดีนโพผมาให้เราได้กลับมารู้สึกตัวพอมันจับหลักนี้ได้นัอนกอ็เริ่มที่จะเหมือนกับว่าเกิดอาโหติกรรมขึ้นมามันเริ่มมาเริ่มเห็นแล้วอ๋อมันมีตัวอโหติกรรมอยู่ตรงนี้ถ้าไหลไปโยกความคิดปรุงแต่งอ๋ออันนี้คือมันไปตามยถากรรมใช้กรรม พอมันทวนออกมารู้สึกตัวเป็นปัจจุบันออกมันตัดเชื่อความคิดดับทันทีเห็นบ่อยๆหลายๆความคิดไอ้ตัวที่มันคิดแล้วเป็นทุกข์เนี่ยอันเนี้ยมันเห็นง่ายแต่ไอ้ตัวที่มันติดดีนั้นมันเห็นยากตัวที่มันติดดีในตัวมันจะคิดแล้วก็ปลืม้ม อ, อกปลื้มใจความภาคภูมิใจมันมันมีอยู่ทุกคนก็ทําดีมาทุกคนก็ทําไม่ดีมาใส่ปาดพลังไปทางกายวาจาใจเพราะว่าไม่เคย มีใครบอกให้มารู้สึกตัวรู้สึกตัวไปโรงเรียนครูก็สอนให้คิดนี่นะจํานะจํานะจำานะหรือว่ามีจินตนาการที่มันเรียกว่าก้าวหน้าล้ํายุคอย่างเงี้ยสร้างจินตนาการเด็กคนไหนจินตนาการดีกระเถะิบเป็นเด็กฉลาดจะเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในประเทศไทยในโลกใบนี้นวัตกรรมเราก็หลงไปปรุงไปแต่งปัญญาที่จะคิดผลงานใหม่ๆขึ้นมาทีไหนได้มันเป็นเรื่องของ ความเมื่อสีขาวเวลาปฏิบัติทำอารมณ์บนมัก็เกิดขึ้นมาในรูปรอยของความดีความงานเี้ยมันเป็นคิดดีเป็นคิดไม่ดีเนี้ยก็คือความคิดทั้งคู่เลยพอเรากลับมาทําพรูปความรู้สึกตัวจิตมันก็ปกติเราก็เห็นลองรอยของสติปัฏฐานลองลอยของสติทิมเป็นความรู้สึกตัวว่างๆบางๆแต่จะคิดมันก็คิดอย่างมีเหตุผลอยู่อันนี้หมายถึงว่า เวลาคิดพูดคิดทำํำคิดทํางานทําการต่างๆอันนี้เจตนาคิดอยู่แล้วคิดได้แต่ว่าขณะที่เราเข้ากรรมฐานอยู่ความคิดทั้งหมดไม่จําเป็นเพราะว่ามันเป็นการสัมผัสสัมผัสสัมผัสสัมผัสสัมผัสตัวนี้มันจะเห็นลักษณะของการสัมผัสแล้วจิตของเรามันก็มีที่อยู่เพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยกายเป็นวิหารธรรมก็เลยบอกว่าให้เอากายเป็นวัด ไม่ใช่หมายถึงว่ามาสุขโตแต่หมายถึงว่าเอากายของเราเป็นวัดเอาใจของเราเป็นพระจิตใจเนี่ยรู้ทุกตัวใจยูกับกายมาแหลงก็เกิดสติปัฏฐานขึ้นมาจินก็บริสุทธิ์แพรก็คือความดีหรือว่าปปุ่มประจันปุ่มพุทธปร ะ, ะจันเนี้ยในลักษณะของปัญญาดิมภาพ้นทุกเ น, นี้ยมันจะเกิดอาการมันกัว่าทบทวนชีวิตขึ้นมา อันนี้ไม่ทันแล้วนะเพราะว่าทำเริ่มเป็นอย่างเนี้ยผลของมันก็คือค า, า, าราคาซังคมบันคาเดินกั้นปีไม่เอาละเข็ดลาบอีกอันก็คือทําดีต่อไปไม่เคยคิดถึงแม่มก็คิดถึงแม่เนะเวลาไปทําทำนะมันคิดถึงไม่เคยคิดถึงพ่ออย่างงี้ยมันคิดถึงพ่อขึ้นมนาะมันเป็นอย่างนั้นมันจะคิดถึงคนที่เราหมายว่าควรจะกระตันอยู่ ก, ก่อนเีย ใครกระทำที่เคยดีกับามังจะถูกกับหรืออะมาแล้วก็คล้ายๆกับทบทวนนะแยกแะอีกทีหนึ่งเป็นรูปรอยความคิดทั้งหมดเรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็จะเป็นร่องรอยแหละพอเรารู้สึกตัวมันก็วิชาเกิดพอมันเกิดขึ้นมาเราศรัทธาความรู้สึกตัวเมื่อก่อนเคยศรัทธาหลงไปวัตถุกรรมะคุณเชื่อว่าวัตถุหนึ่งสองสามโนบุคุณหนึ่งสองสามสถานที่หนึ่งสองสาม จะให้ความสุขกับเราเวลานี้เวลานี้เชาวสายบ่ายค่าจะให้ความสุขกับเราอย่างเช่นตกเย็นอย่างเงี้ยคนที่เขาทางานอย่างเช่นคนงานก่อสร้างเขาก็เห็นว่าเวลานี้เป็นเวลาความสุขก็งเาแล้วทำงานมาทั้งวันก็จะไปดื่มเล่าไว้สูบบุหรีอย่างเงี้ยผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเขก็นอนหลับเขานในเวลานี้เป็นเวลาความสุขของเขาหรือว่าสิ้นเดือนเอาไปจับใจ่ายใช้ใยจะได้ความสุข แต่ของเราก็เป็นขณะปัจจุบันนี้เลยจิตที่ปกติรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะเป็นขณะนี้เวลานี้เป็นปัจจุบันกันนะนะกายก็จึงเป็นพระใจก็จึงเป็นพระมันเป็นที่เดียวกันนะกายกับใจหนะรือว่าเรายกกายเป็นวัดก็ได้ใช้วัดอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เรารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่านะถ้ารู้สึกตัวจิตกับปกติ ถ้ามันไม่รู้สึกตัวมันก็มีผิดปกติเป็นสุขผิดปกติเป็นทุกข์แสดงออกมาเราก็ได้เห็นตัวเราชัดเจนเลยจนทั้งเป็นเรื่องของสติเห็นกายสติเห็นใจเต็มเป็นลักษณะของการคิดนึกปรุงแต่งหรือว่ามันเป็นปกติไม่ปกติตอนนี้เราสติรู้สติมันก็จะเห็นตัวมันเองด้วยเวลามันปกติเวลามีสติอยู่จิตว่างๆๆๆเวลากระทบสัมผัสแล้วมันปล่อยมันวางขนาดนั้น มันมีก้อนอยู่ขณาดจิตเดียวขณะจิตเดียวแล้วเราก็ไม่ได้ยึดอะไรมันก็จะมีอยู่ก็หยิบใช้เป็นหน้าที่ต่อไปใช้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์กายก็บริสุทธิ์วาจจบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์มันมีอยู่ทุกครั้งที่รู้สึกตัวนเราก็ฝึกหัดกันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนยาบทคนใหม่ๆนี่ก็สังเกตเอาให้ความคิดลองขอหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วก็เปลี่ยน้รอเวลามันจะเข้าห้องน้ำโตตอบทักท้วงมานิดนึ่ง <eng> นิดหนึ่งนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งเนี้ยเราก็ตั้งสติดีๆแล้วก็ไปนี่นะมันทำให้จิตใจ rare, มันภาวนาแล้วก็พัฒนาดีวันดีขึ้นรู้สึกตัวตื่นตัวได้มากเราเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าแล้มันเกิดศรัทธาขึ้นมาจิตใจก็ปราโมดขึ้นมามีร่องรอยของบุญเกิดขึ้นมามีปีติมีความสงบมบันจะเกิดขึ้นมามีความสุขความสุขอยู่ที่ไหนสมายที่มันจะอยู่ตรงนั้นก็นนี้เรามีความสุขอยู่ความรู้สึกตัว สมาธิมันก็เกิดตั้งมั่นอยู่กับการเคลื่อนการไหวรู้ตัวตัวนเหมือนกันตั้งมั่นอยู่กับเนืกับตัวเจะแล้วมจะเกิดอาการต่างๆความเบื่อหน่ายคลายจังการแม่ราคาทางตาหูจมูกรินกายใจตรงนี้แหละมันจะทําให้เราเหมือนกับว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากเดิมเคยวุ่นวายก็ไม่วุ่นวายเคยสับสนก็ไม่สับสนเคยมีปัญหามก็ได้มีปัญหาอะไรมันก็เหมือนกับว่าชีวิตเราก็มีกําลังมากขึ้น มันได้ชีวิตใหม่ก็ว่าได้เราก็จึงเห็นว่าเออบางทีมันมีอารมณ์โทสะเกิดขึ้นมาเป็นความกอดเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีมันก็แหอภัยในใจนี่แหละมันเห็นว่าอืมเขาเคยทํากับเราเราเคยทำกับเขาอย่างเงี้ยมันก็แปรกับุกแปรกับรับปรกันแพร่แปกันนี่ไหมบางทีก็แผ่เมตาเตาสัพเพสตตาใช่ล้วนะของสมถะเข้าคมบางทีมันก็มองหาคุณค่าว่าเออ โกรธมันเป็นโทษยังไงหรือว่ามีคุณค่ายังไงหรือว่าความไม่โกรธเวลามีสติรู้สึกตัวให้ประโยชน์อย่างไรมันก็รู้สึกว่ามีการเทียบเคียงในตัวบางทีมันก็เห็นว่าความโกรธนี่มันทําให้เราเหมือนกับว่าติดยึดไปอีกหลายวันหลายเดือนหลายปีมันลงโทษเราอีกนานเยมันก็ตกนรกความโกรธกลางใดมันจุดไฟเผาตัวเองนะมันร้อนลุ่มไปเหมืนมันก็ไม่เอาเหมือนกันละมันก็เลือก ปกติธรรมดาธรรมดาไงหรือ ว, ว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวธรรมดานะมันเป็นเรื่องของสติปัฏฐานอันนี้จะไม่ได้ใช้ระบบความคิดทุกครั้งที่สัมผัสเราเห็นอารมณ์ก็ปกติปกตินะเพราะฉะนั้นอารมณ์โกรธมันเป็นอารมณ์ที่อยากที่สุดนในการไปกระทำหุดหงิดเนี่ยให้โกรธปฏิกขาเนภาวสู่โทสะนะโกรธึงเครียดแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวราคาะการให้ราคามันจะกลายไปเป็นเรื่างาของการอยากได้ เป็นความโรคเนี่ยเราก็ไม่หลงเข้าไปทุกครั้งที่สัมผัสสัมผัส เ, เนี้ยเราก็ฝึกอย่างนี้บางทีไปทางตาแล้วคิดต่อที่ไปทางหูคิดต่อเราก็มาสัมผัสที่กายสัมผัสที่กายเรียกกลับมาเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมล้วก็ได้ลงมือทากันแล้ววันนี้เรามีประสบ ก, การณ์เหมือนเกันทุกคนเช่นมีความง่วงถามแล้วว่าง่วงกันทุกคนนั่นแหะความปวดความไมื่อยกปวดเมื่อยเหมือนเหมือนะ แต่ว่าที่สำคัญก็คือบางคนก็กลับมารู้สึกตัวได้บางคนก็ยังเผลอหลงไปอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นลายประสบการณ์ของกายของเรากั น, นนะอะไรเห็นว่าสมควรแก่เวลานะวันนี้ก็พูดมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดีนะ๋ยวก็ปฏิบัติกันต่อไปนะก็ขอให้การที่เราได้มารวมตัวกันไรทำในครั้งนี้ก็นะจงเป็นไปเพื่อนะ การเดินทางสู่การพ้นทุกข์นะไม่ช้าก็เร็วตามสมควรแก่การเืินของแต่ละคนทต่ลขั้นโดยตัวนาการทุกคนทุกท่านเธอ